อ่านั่นคือ น, นรกกับภูมิเสร็จแล้วคราวนี้เปรตภูมิเปรตภูมิคือสภาวะจิตเป็นยังไงโลภนะโลภมากอยากมากจะอยากอยากในแง่แง่อะไรอะแง่อร่อยอร่ อ, อยก็ได้แง่ผลักก็ได้อะไรก็ได้น ะ, ะเพราะนั้นมันจะเกิดความโลภความอยากเนี่ยรุนแรง เนี่ยใครอยู่ในสภาวะนนียให้รู้เลยโอ้โหจิตกําลังเป็นเปรตแล้วจิตกําลังเป็นเปรตแล้วเพราะนั้นเปรตไม่ได้เป็นตอนตายตอนเป็นเป็นเนี่ยถ้าจิตเราเป็นเปรตนั่นแหละเรากําลังเป็นเปรตแล้วแม้แม้แมยังมีตัวตนอยู่มีร่างกายอยู่ก็เป็นเปรตแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราบอกโอวันนี้ขอเป็นเปรตสักวันเถอะหมายความว่าไงยกตัวอย่างสิ ส่วนใหญ่ไอ้ที่ยกตัวอย่างง่ายที่สุดกันนะโอ้โหวันนี้เห็นสละเปาไส้อะไรไส้เค็มโอ้โหแม่อะไรอ่างนแม่อะไรแม่บุญมีโอ้โหอร่อยนักอร่อยนะขนมเบื้องยวนของแม่อะไรนะแม่พันณีเอาโอ้โหหอมเหลือเกินน่ากินเหลือเกินยังไม่ทันสู้เลย บอกขอเป็นเปรสักวันเหยังไม่ดันสู้เลยแหมสู้หน่อยฮะนาให้เป็นเทวดาหน่อยเป็นเทวดาหมายถึงหมายถึงสภาวะจิตยังไงเป็นเทวดาเออจิตที่แบบว่าแหมเป็นจิตชั้นสูงหน่อยหรือว่าเป็นมนุษย์โสเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปเป็นเปรตสิเป็นมนุษย์เออเป็นมนุษย์ก็คือแหมทำให้จิตใจมันประเสริฐหน่อยสิให้จิตใจมันดีหน่อย อย่างเนี้ยสู้หน่อยสู้หน่อยไม่ใหญ่แม่พอเห็นปั๊บใจอ่อนเลยนะเอ้ยบันนี้ขอเป็นเปดตโทษยังไม่ทันงัดข้ออะไรกันเลยอย่างนนานเนี้ยคนพาลเนี่ยถึงบอกแม้พอเห็นปั๊บโอ้อ่อนทันทีไม่ได้สู้เลยทักแงหนึ่งเลยบางทีอะอนสู้หน่อยเราจะได้ยินสงครามระหว่างอะไรอยู่บ่อยๆน ะ, ะธรรมะกับอาธรรมหรือบางทีเทวดากับอาศูนอย่างเงี้ย เราจะได้ยินบ่อยๆะเดี๋ยเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเพราะฉนั้นอันนี้ฝากไว้ให้เรารู้สภาวะจิตว่าอ๋อถ้าสภาวะจิตเป็นเปรต เ, เมื่อไหร่เนี่ยรีบทันทีเลยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาบอกว่าทําบุญให้เปรตเขาทำไงที่ที่เขาชอบอุทิศไปเนี่ยอุทิศให้เปรตอะเปรตไม่ถึงว่าคนที่ตายไปแล้วอะคือเขาไปไปคิดแต่ไอ้ที่ตายไปแล้ว ใช่ไหมนั่นแ่ะเขาทำยังไงอุทิศให้เปรตเขาทำยังไงฮะเอาอาหารเอาเสื้อผ้าเอ า, เอาข้าวของเครื่องใช้เอาอะไรก็ตามเขาก็ส่งไปเสร็จแล้วพอเวลาส่งไปทำไงเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงส่งไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปเอาไปให้ใครเออไปถวายพระอ่า ไปถวายพระจริงๆก็ส่งให้พะระนั่แหละไม่ใช่ส่งให้เปรตนั่นหมาเดี๋ยวหาว่าพระเป็นเปรตส่งให้พระแต่เขาเชื่อว่ายังไงว่าเอาของไปถวายพระเนี่ยของนั้นน่ะคือพระเอาไปฉันเอาไปใช้นั่นแหละแต่จริงๆนะพระเป็นผู้ใช้เป็นผู้ฉันจริงๆก็อยู่กับพะะระนั่นแหละแต่เขาคิดว่าอะไรตามความรู้สึกเขาอะ่ะเออขาคิดว่าทําอย่างนี้แหละ แล้วไอ้ของเหล่านั้นอะ่ะมันจะไปถึงเปรตเองทั้งนั้นดีกว่าเป็นจริงอแเราก็พูดกันบ่อยแล้วไอ้ของนั้นก็ยังอยู่กับพระนั่นแหละมันจะไปถึงเปรต้อยังไงมันไม่ถึงหรอกเพราะถ้าขืนบอกว่าถึงเปรตนี่แสดงว่าว่าพระนะเพราะนจริงๆแล้ววัตถุข้าวของอะไรไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับคนที่เราเออกไปให้นั้นแต่ทำไมเขาบอกว่าถึงเปรต อย่างผู้เจ้าท่านก็ตัดเอาไว้นะมีพระสูตรในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเปรตก็จะได้รับส่วนบุญนั้นอ่าเขาใช้สำนวนนี้เปรตได้รับส่วนบุญนั้นแต่เปรตไม่ได้ของเหล่านั้นหรอกของนั้นไม่ได้แต่ได้รับส่วนบุญตรงไหนตรงที่ถ้าถ้าเปรตนั้นนะนะไม่มีร่างกายนะมีแต่บิญ ญ, ญาณสมมติว่าเออรู้ได้สัมผัสได้ว่าว่าเออนีพ่อแม่นะนีหรือนี่ลูกนะเอาทาบุญ ไปให้อย่างนี้นะเปตนั้นยังเก่งก็อนุโมทนา <c ười> คือยินดียินดีด้วยทําไมถึงยินดีทําไมถึงยินดีหลังที่เราเข้าใจสภาว่าเปรตแล้วนะจิตของเปรตคือจิตที่อะไรโลภมันอยากได้เพราะมีคนให้อย่างเงี้ยเปรตก็เลยเออเหมือนกับว่าเออมีคนให้จริงๆของนั้ไม่ได้หรอกใช้อะไรเองก็ไม่ได้ แต่แค่มีความรู้สึกว่าเออมีคนช่วยแล้วมีคนให้แล้วแค่นี้แหละเขาก็บอกว่าเปรต น, นั้นก็ไปปุดไปเกิดได้ซึ่งจริงๆแล้วหมายความว่าจิตของเราเนี่ยพอเราคิดว่ามีคนมาช่วยเราเอามีคนเนี่ยเอามาให้เราหรือช่วยเราโดยที่คราวนี้ไม่ไม่พูดเป็นสภาพวิ ญ, ญญาณแล้วนะพูดเป็นมีร่างกายตัวตนมีคนเขาเอาของมาให้คุณเอมีคนเขา มีเสื้อผ้ามีอาหารเอามาให้เราอย่างเงี้ยเราได้สมใจเลยสิเห็นมคนนั้นก็ได้กินได้ดื่มได้ใช้ได้เสพคนนั้นก็นี่แหละที่เขาเรียกภาษาว่าเปรตพีเนี่ยแหละเอาให้เปรตไปซะแต่คราวนี้เปรตอันนี้มีตัวตนไงกินได้ดื่มได้พอสมใจก็เป็นไงหายหายทุรนทุรายหายไอที่มันโรบมันอยากละคราวนี้ พอมันได้กินเนี่ยเหมือนหิวหิวมายงเงี้ยพอได้กินแล้วก็โอ้โหสบายมีความสุขนี่แหละพนันสภาวะจิตจของเปรตภูมิเนี่ยก็คือสภาวะจิตจแบบนี้พลันคราวใดที่เรารู้สึกว่าเอาแล้วเปรตเริ่มขึ้นละเปรตเริ่มขึ้นแล้วพนวันก็ต้องอะไรต้องเอาให้สมใจ <c oughs> ใช่ไหมจะได้จะได้ไดเปรตจะได้หมดหมดไปไงี <c> ้ <oughs> เปรตมันไม่หมดนะ พราะคนเนี่ยก็ยังเข้าใจผิดตรงนี้อีกที่เรียกว่าเออทำให้เปรตมันสมใจซะเปรตมันจะได้จบจบไปซะไม่หรอกไอ้นี่มันจบไปแบบเขาเรียกว่าจบแบบโลกโลกแต่ว่ามันยังไม่ได้จบแบบแบบในทางธรรมะจริงๆถ้าจบแบบในธรรมะจริงๆเนี่ยมันเกิดที่ใจเพราะมันก็ต้องล้างใจอันนี้ให้ให้ได้เพราะั้นก็ต้องล้างความอยากต่างหากล้างความโลภให้ได้ ถามคุณว่าสมมติว่าเราอยากจะกินขนมปังเสร็จแล้วคนเขาเอามาให้คุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณได้กินทุกวันเนี่ยคุณก็ไม่ทุกข์กับสิเพราะว่าได้กินทุกวันถามหน่อยฮะแล้วคุณจะพ้นจากเปรตขนมปังไหมคุณจะพ้นจากความเป็นเปรตขนมปังไหมไม่พ้นหรอกจะพ้นได้งไงมันก็ยิ่งติดจะมายิ่งติดยิ่งชอบวันไหนที่ไม่ได้เนี่ยคนนี้จะรู้ละ่ะ โอ้โหเปรตบรรทุกทรมานอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นเปรตคุณจะเห็นสภาวะจิตแหละคราวนี้โอ้โหออกฤทธิ์เลยเปรตไอแสดงอนุภาพแล้วคราวนี้ฤทธิ์ทานุภาพแล้วโอ้มันจะทุรนทุลายเลยไม่ได้กินะลงแดงคราวนี้ยนะเที่ยวตามหาไหนไหนไหนที่ไหนเขาเรียกผู้ทีรักษาเออเขาเรียกก็เรียกเคยแฮตตามล่าเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นแล้วถึงบอกว่ามันไม่ได้แก้ อันนั้นแต่มันมันชั่วคราวให้แบบดับชั่วคลาวเท่านั้นเองมันไม่ใช่แก้จริงๆเหมือนกับคนปวดฟันแล้วกินยาแก้ปวดระงับปวดไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้แก้จิต จ, จริงไม่ได้ล้างจิต จ, จริงคนนั้นก็ยังเป็นเปรตอยู่เพียงแต่เปรตได้กินไปอิ่มมันก็เออง่วงแล้วหลับสบายไปแต่เดี๋ยวมันก็ตื่นมาแต่มันยังเป็นเปรตอยู่มันยังไม่ตายอ่ะเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ยังอยู่ในเปรตภูมิอยู่ ยังไม่พ้นจากภูมิของความเป็นเปรตออกมาเพาะจาพ้นจากภูมิของความเป็นเปรตได้ต้องหัดหัดหัดอดหัดงดหัดเว้นเพื่อที่จะได้ลดความโลภลดความอยากของตัวเองเนี่ยลงมาทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเวลาจะอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องกวดน้ำน้ำไม่เกี่ยวเลย <laughs> น้ำมันเกี่ยวอะไรกับสภาวะจิตของคุณนะ ท, ที่โลภหรือว่าไม่โลภไม่เกี่ยวเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นของศาสน า, าพราหมณ์พูดมาบ่อยแล้วเขาใช้เป็นสื่อเท่านั้นเองจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยคือกวดน้ำเนี่ยก็คือเท น, น้ําจากมือเนี่ยลงพื้นไปแล้วก็พื้นเนี่ยมันก็ดูดซับน้ําไปหรือคุณจะเทลงแม่น้ําลงคลองลงอะไรก็แล้วแต่มันก็โดนเอาไปอ่ะคือคุณไม่สามารถเอาคืนมาได้จริงๆเนี่ย เป็นของาศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เขาก็สอนเป็นแง่คิดเอาไว้แล้วว่าที่กวดนั้นเนี่ยหมายถึงว่าหัดเสียสละหัดให้อะไรใครเข้าไป เ, าปเนี่ยเนี่ยเี่ยลดความขี้โลภนี่แหละหัดเสียสละหัดทําบุญทําทานออกไปแล้วเอะไรให้แล้วให้เลยไม่ใช่แล้วให้แล้วก็ตาก็คอยเป็นเลด้าตามมันจะเอาไปไหนเอาไปใช้อะไรกินหรือกินให้หรือเปล่าหรือว่าไม่กินเออ เนี่ยคือเทน้ําแล้วก็น้ําก็ศูนย์หายไปเลยไม่สามารถเอากลับคืนมาได้คือให้อะไรใครไปแล้วให้แล้วให้เลยอย่าอย่าให้แล้วยังมายังจะมาเป็นจิตเปรตอีกเออมันมนนันเป็นเปรตตัวใหม่นะไออุตสาหตัดใจให้ใช่ไหมอ่าอันนี้ดีแล้วนะไม่ลดลดเปรตไอตัวขี้เหนียวได้ละอ่าได้เสียสละแต่พอเสียสละไปเสร็จปับ๊บใช่ไหม ยังคอยตามดูคอยตามหวงคอยตามทวงคอยตามอะไรอย่างนี้อย่างนี้ได้เป็ดอีกตัวหนึ่งตัวใหม่อ่าไอ้ตัวนั้นลดลงแล้วไอ้ตัวเก่านั้นลดลงแต่ได้ตัวใหม่เนี่ยตัวหอบตัวห่วงยังมีอยู่เลยไม่ได้โลบเหมือนเก่านะแต่ว่ามันมีตัวห่วงตัวอะไรตัวใหม่อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพราะอย่างนี้จะต้องเข้าใจสภาวะจิตพวกนี้ให้ได้เข้าใจพวกนี้ได้ก็มีสติรู้ตัวมาเร่เอาแล้วเอาแล้ว ตอนนี้เข้าทรงเปรตเข้าทรงเปรตแล้วออคำว่าเข้าทรงเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอ่ะมันอยู่ไงทรงนี่คือมันอยู่เงี้ยเพราะเปรตมันมาอยู่แล้วเรื่องอะไรเราอย่าไปทรงเปรตเราทรงเจ้าสิไม่อย่าไปทรงเปเรต เ, เ, เอาไว้อ่าเนี่ยเนี่ยเป็นภูมิที่สองส่วนภูมิที่สามนี่อสุรกายภูมินะอสุรกายเนี่ยแหละ พวกอสูรเนี่แหละพวกอสูรกายอสูรกายหมายถึงสภาวะจิตเป็นยังไงเออกลัวนะพวกนั่นแหละอย่างที่คุณสนที่เขาบอกอะเป็นโรคปอดอะนะเป็นพวกโรคปอดปอกฉีกบ้างปอกปอกอะไรอะปอกทะลุบ้างกลัวพวกกลัวนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เราจะต้องดูกลัวอะไรบ้างอะเยอะแยะกลัวจนกลัวไม่สวยกลัวเงินเดือนถูกกลัวเชยกลัวอะไรอีกกลัวเสียทรงผมกลัวอะไรอีกกลัวเดี๋ยวหน้าไม่เด้งเอ้ากลัวอะไรอีกอะ เยอะแยะอัะ น, นะที่จะกลัวเนี่ยว่าอสุรกายทั้งนั้นเลยอะไรกลัวอะไรสารพัดจะกลัวเนี่ยนี่ยก็คือสภาวะจิตที่กลัวเพราะนนั้สภาวะจิตพวกเนี้ยเวลาเราอยู่ในภูมิอสุรกายจะแก้ย่งไงอะ่ะคันนี้จะแก้อสุรกายภูมิยังไงภูมิเนี่ยหมายถึงว่าที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคืนเนี่ยให้อสุรกายเนี่ยมันมาฝังมันมาอยู่ในจิตของเราเอา้า เราก็เป็นอสุรกายสิเพราะฉะนั้นคนี่จะแก้งไงจะแก้อสุรกายนี่ยังไงจิตขี้กลัวพวกเนี้ยแก้อย่างไงเออก็กลัวเนี่ยคุณก็ต้องแก้ด้วยกล้าก็ต้องพยายามสิต้องหัดก็กล้านะก็ต้องหัดกล้าจนมั่งเออ หัดกล้าไม่ต้องใส่รองเท้าบ้างเอาหัดอะไรอ่ะเงินเดือนน้อยๆก็ได้เอาหัดกําไรน้อยๆหรือบางทีก็หัดขัดทุนบ้างหัดขัดทุนนี่ก็คือหัดบริจาคกันะหัดหัดให้ทําบุญทาทานอะไรไปบ้างเนี่ยอหรือบางทีเนี่ยกลัวเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็หัดกล้าบ้างก็หัดที่หัดกินข้าวเปล่า หัดกินไอ้กับข้าวจืดๆ ด, ดูบ้างหัดต้องหัดกล้าเพราะมีแต่ความกล้าเท่านะั้นมันถึงจะมาลดย่อนหรือว่ามาสู้กับไอ้ความกลัวได้เพราะอะไรอะไรก็กลัวอยู่นั่นกลัวอยู่นั่นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอะไ ร, ะ ไ, รไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องหัดกล้าเพราะงั้นใครอยากจะพ้นภูมิของอสุรกายได้ก็ต้องหัดกล้านะอะสุนตัวสุดท้ายตัวที่สี่ก็คืออะไรดีรฉานภูมิ ดีรฉานภูมิเนี่ยมีนัยยะบอกแล้วถ้าในที่นี้เนี่ยเราพูดแต่สภาวะจิตนะหมายถึงว่าตอนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยสภาวะจิตเป็นดีรฉานภูมิหมายถึงเป็นคนดีไซน์จิตใจยังไงดีรฉานเออน่างโง่เขาบาบวญญาเรืต่างๆพวกนี้เขาถือว่าดีรฉานเขาถึงเปรียบเหมือนกับว่า ถ้าเป็นมนุษย์ถือว่ามีปัญญาเนี่ยถ้าเป็นพวกดิเรชานเนี่ยมันจะเก่งยังไงนะมันจะมีพะละังกาลังมากขนาดไหนเขี้ยวจะคมเล็บจะแหลมอะไรยังไงอตัวจะใหญ่โตขนาดไหนแต่มันไม่มีปัญญาเท่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบดิเรชานต่างๆว่าว่าเป็นโง่เขาเป็นพวกนี้เพระฉั้นราวังคนนี้ถ้าโดยสภาวะจิตเนี่ยโง่คําว่างโง่นี่ ต้องเข้าใจอีกด้วยโง่นี่คืออย่างโง่ทางรำอย่างโง่เนี่ยอย่างโง่ในทางทำเพราะบางคนเนี่ยต่อให้เป็นด็อกเตอร์เรียนจบปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ยังโง่เพราะอะไรเพราะโง่ในทางทำเขามีความรู้ในทางโลกเนี่ยหูสูงยอดเยี่ยมเลยเนี มีคอมมีอะไรอ่ะสามารถคิดประดิษฐ์อะไรจรวดหรือว่าอะไรเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรยังไงเก่งมากแต่ยังโง่นะเนี่ยสภาวะจิตยังอยู่ในดีรัชานภูมิก็ได้คือยังโง่เพราะอะไรเพราะโง่ในทางธรรมะโง่ในการที่พูดง่ายว่าปล่อยตัวเองเนี่ยให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสจะเป็น ราคาเป็นโทสะเป็นความหลงผิดโมหะอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างเนี้ยเนี่ยยังอยู่ในดิรชานภูมิยังโง่อยู่ต่อให้รวยล้นฟ้าต่อให้เนี่ยเก่งสอบได้ที่หนึ่งในโลกเอออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายังหัวราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้ยังนายังเป็นปุถุชนเลยอย่างเงี้ยก็อยู่ในข่ายของดิรชานภูมิ นะอันนี้พูดถึงโดยสภาวะจิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละดิรฉานภูมิก็คือมีสภาวะจิตโง่อย่างนี้แต่พอสะสมความโง่อย่างเงี้ยความหลงผิดพวกนี้เอาไว้เอาไว้ไว้จนมันหนามันหนาเ น, น, นี่ยแหละที่เขาเรียกว่าปูทุปูถุเนี่ยแหละปูถุชนเนี่ยคนกิเลส น, นะถ้ามันหนาเพราะความโง่แบบเนี้ยสะสมผิดทิศผิดทางผิดทิศผิดทางถ้าตายในชาตินี้วิญญาณมันจะต้องไปพาเกิด ร่างใหม่แล้วคราวนี้ก็สภาวะจิตเนี่ยมันเป็นดีรฉานเพราะวันไปได้ร่างใหม่เนี่ยก็ต้องได้ดีรฉานมาคราวนี้มันจะสมพงกันมันจะลงตัวกันเพราะวันในโลกเนี่ยถึงบอกคนเนี่ยมีจํานวนน้อยสัตว์โลกทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งคนด้วยนะคนเนี่ยถึงแค่จํานวนน้อยสัตว์โลกอื่นๆรวมหมดแล้วเนี่ยถึงมากกว่าคน มากกว่าคนอีกไม่รู้กี่เท่าเท่ากี่เท่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดกลับมาเกิดมาเป็นคนได้อีกนี่ถึงจำนวนน้อยเท่านั้นแหละส่วนใหญ่เลยโอ้พพุทธเจ้าเปียบหน้ากลัวมากเลยด้วยนะเปรียบห่างไกลกันลิบลับอะไรนะเอาเล็บเกี่ยวกี้ดินขึ้นมาก<ม>ี้ทร า, ายคี้ฝุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยฝุ่นในเล็บนี่เท่านั้นเองเ่เนี่ยโอกาสเกิดเป็นคน ส่วนพวกที่เกิดเป็นสัตว์นู่นท่านชี้ไปภูเขาเวุเวฬุพุระบรนพตนู่นมันนู่นน่นะมันโอ้โหมันต่างกันขนาดนั้นนะโอ้โหมากมายมหาศาลเลยวันข่านี้อะนะอันนั้นพูดไปถึงบ้าเห็นไหสัตว์ต่างๆถึงจะเกิดเยอะตอนนี้ย้อนกลับมาที่เมื่อเราไม่อยากให้ไปได้ล่างเป็นสัตว์อย่างนั้นวันข่านี้ก็ต้องสะสมพยายาม ปรับจิตปิญ ญ, ญาให้เลิกเป็นดีราชานให้ได้วันการที่จะไม่ให้อยู่ในดีราชานภูมิไม่ให้มี จ, จริตมีนิสัยเป็นดีราชานเพราะนั้นก็จะต้องแก้อย่างไงฮะแกด้วยความฉลาดแหมตอบเก่งมากก็ถูก้วก็งโง่ก็ต้องแก้ด้วยความฉลาดถูกต้องฉลาดยังไงเราเออก็มาศึกษาใช่ไหมเนี่ย ศึกษาไตสาิกขามาฟังเทศฟังธรรมอะไตสิกขาก็มีอะไรเนี่ยก็ศีลเห็นไหมศีลเป็นเบื้องต้นเลยพระเจ้าท่านบอกศีล น, นี่คืออะไรศีลคือข้อที่จะไม่ไปทําชั่วไม่ไปทําเลวไม่ไปทําตามใจของตัวเองตามกิเลสเนี่ยเนี่ยคือศีลข้อห้ามต่างๆพวกเ น, นี้เนี่ยเป็นศีลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นดีรชานแล้วอย่างแรกๆเลยต้องมีศีลให้กับตัวเอง นะจะต้องมาสำรวมมาระวังอะไรชั่วอะไรไม่ดีเรารู้เฮ้ยอย่าไปทำอย่างนี้แหละถึงจะฉลาดขึ้นเพราะอย่าไปหลงเข้าใจผิดนะบางทีเนี่ยเขาด่าเรามาแล้วด่าเอาด่าเอามางทีโอ้เบียดเบียนเราแกล้งเราเงี้ยแต่เราก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาตอบเราไม่ไปทำร้ายเขาโอ้บางทีที่โต๊ะอาหารนี่เขามีโอ้หหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มเลยนะ ไอ้เราก็ไปกินแต่ผักไม่ยอมกินเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เขาว่างไงว่าโง่เนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องว่าเราโง่หรือบางทีเนี่ยได้เงินเยอะๆไม่เอาดูที่ไม่เอาก็เอากําไรน้อยๆเขาก็ต้องว่าโง่นี่แหละนี่แหละอาจารย์่บอกต้องเข้าใจศัจธรรมให้ดีไอ้ที่เขาว่าโง่โลกโลกเนี่ยเขาว่าโง่อย่างนี้แหละจริงๆแล้วโดยทางธรรมเนี่ยคือฉลาด คืออย่างนี้แหละคือฉลาดในทางธรรมเพวันถ้าใครเข้าใจประเด็นพวกนี้ชัดเจนจะไม่ไปหวั่นไหวอะไรไปตามโลกโลกเขานั่นแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วทางธรรมกับทางโลกมันตรงข้ามกันอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นคนพานที่พูดมาให้ฟังเนี่ยนะก็จะตรงข้ามกับบัณฑิตทุกประการเพราะฉั้นบัณฑิตจะไม่ขยายแล้วนะแต่จะ แค่อ่านให้ฟังสั้นๆเท่า น, นั้นเองว่าบัณฑิตจะเป็นยังไงบัณฑิตจะตั้งมั่นในศีลปราดผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีลย่อมได้รับการสรรเสริญขณะมีชีวิตอยู่ย่อมรื่นเริงใจในที่ทุกสถานในโลกครั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขเบิกบานในสวรรค์ันสวรรค์นี่ก็บอกแล้วนะสวรรค์ก็คืออะไรสภาวะจิตที่ เนี่ยแหละเข้าใจธรรมะรู้ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะตั้งใจ อ, อ่พีให้เทวดาเทวดาพีนะอย่าไปเปรตพีแล้ว <c oughs> อาวันนี้คงพอจานี้